ต, ง า, า, ต, งงตงางกันมากดานปฏิบัติดูสังคุปน์เพื่อตงกันมากด้านปฏิบัตินัน้นส่วนใหญ่ให้เราสอนแต่จิตวีญญาณจิตตายจีตใจของพวกเราเพราะจิตใจจึงสอนมาจีตายจีใจ ของกายใจเป็นต้นต่อของความดีความสั่วความดีความสั่วเกิดขึ้นมาในเชื then, ้อชินจากป่าด่างลมเกิดขึ้นจากลมป่าอากาศเกิดขึ้นจากกายากใจของพวกเราดังนั้นการแสดงธรรมะมีแสดงเรื่องของกายของใจ แสดงไป ท, ที่ผู้ฟังบอกกายเอาใจเป็นผู้ฟังนะอยู่เราฟังธรรมะอย่าปล่อยใจให้คิดซึมซึมไปส่วนเน็ตให้กหนดบดทธรรมหรือจะกำหดนดจิตนี้ให้รับฟังแต่ธรรมะที่ท่านอธิบายไปเท่านั้นอย่าไปคิดซึมพราะท่าน จ, จะแสดง อะไรให้เราฟังมันเป็นหน้าที่ของผู้แสดงเรื่วนเราสมดุลจิตของเราให้อยู่ละขอบเขตอย่าส่งออกไปสงนอกถ้าเราตั้งใจแบบนั้นการฟัง่งคำที่ท่านแสดงไปก็ไม่มีการลูร่ไหล อ, ออกไปสู่ที่อื่นมีแต่ทางที่จะรั่วไหลเข้าไปสู่ใจของเราหายเดียึใจที่เราเคยสงบ ลังนักก็จะหลงหงบลังนั บ, จจ ห, นบหรือยังไม่หลงหนึงลังนักก็มีชีิดอุู่ไต่วนอีกซึ่งจะเป็นโทดเป็นไข้นำทลุมาให้แก่ตัวพอเรารักษาระวังไว้หายใจชีวิตมีเป็นการ์สร้างธรรมะทางด้านปฏิบตัติ้าตรจิตสั้างใจไว้ยอย่างนั้น มีวันเวลาได้มมรับความสงบรับความสบายได้ความเ อ, อื้อฟื้นดีชิดมนอดในธรรมใจที่ตั้งมั่นไม่ได้ใจที่รวมรวมไม่ได้ใจที่ม่เป็นสมาธิก็เกิดขึ้นจากความ่ึกคิดของจิตของใจทางสำหรับกำลรา การพีว่านีวรทั้งห้าเป็นเชื่องจีดกันไม่หาใจของเราท่านสงบละงักนีวรทั้งห้าโกเพตามมาสั น, ะนทะคตามไข่ตามยินดืดตามสิตใจให้รู้เขียงกลงสสิ่นรสสัมผัสทีน่าครอบจิตสิตใจต่างๆถ้าคิดปรุงปรุงไปอย่างนี้ใจก็ไม่มีเวลาลงรวม ได้รับความสว่างสวายได้รับความเยือเยมของใจ ข, งข้อที่สองอันว่าพยาบาทิตคิดคิดอาชาจ้องล่าจองฐานสักบุคคลต่างๆสรุปแล้วกว็คือรักทางนั่นเองคิงนมิพะความเงเหงาหาวนอนจุดหดหู ไม่อยากจะที่นี่เป็นรื่องนาอร่อยี่จะอยากจะลักนี่นอย่างนั้นท่ามัไม่อยากคิดท่ามะไม่อยากฟังนี่จะอยากกลับดีถ่ายเดียวนี่จะเป็นที่เรต อ, อันหนึง่งเป็นสนิมอันหนึง่งเป็นมวลทิ่นอันหนึง่งหุ่มพอจิตใจนะฮะลงรวมได้จะเห็นให้เห็นอด้เห็นทำกุ กุจักหมายถึงเมื่อจิตจมมีความสงบลังงับจิตในรวมรวมเต็มสมาธิตามสิ่งของจิตพุ่งส่้างออกไปตามอารมณ์สัญญยาต่างๆร่างกายที่นั่งอยู่กับลำคานเดี๋ยวเจ็บนั่นปวดนี้เรียกว่นาจินนิชะ ทงใจทั้งใจมีเพียงเพียงห้าทางสมาธิวิจิตรคิดษาเมื่อคิดไม่เห็นอาจทำอะไรก็เกิดความสงสัยการทำอย่างไรจึงจะสงบเนาทําอย่างไรจิตใจจึงจะจะสบายหนาะพอเห็นแต่หมอนแต่เสื่อเท่านั้นนี่ใจอยากจะหลับจะนอนนีใจอยากจะคิดกระซุ่งไปส่วนอื่น เกิดความสงสัยเราเองไม่มีบุญบาลามีตามอัตทรรมความมุขคือจะมีนใส่ยแฝงคนเ็นใจแบบนี้ปกติ้องจิตที่นองรวมะนั้นอย่างนิวรันทั้งห้าก็มีอยู่ที่ายที่ใจของเรามีวานตัวใดเกิดขึ้นในขณะ ที่เรานั่งอยู่กำหนดอยู่ปกึงกำจัดปัดเป่านมียนวลนั้นให้ตกไปจะให้มาครอบงำจิตใจของคนเมือ่อเมียนวตกไปใจก็จะเกิดพีสิจีความอิ่มใจในความเป็นความเห็นความรู้ของการแตะทำเมือ่อมีสิจีปัดสึกความรังงนะับ เรื่องที่เหลือกันหาความระ ง, งับอาจัจวิยาที่จริงจริงต่างๆระ ง, งับดับลงเรื่องของคูกภายในกายก็ระ ง, งับดับลงเหมือนสั น, ส ค, น, นคู่จะเกิดเฉดเดินขัดขึ้น บาตเป็นอย่างนี้อย่ายินดีเยื่อใสมใจอยากประเภทปฏิบัติเมือความสุขเกิดขึ้นเห็นสุขไปจากในจิตในใจจิจะขยับจะเยื่อหุไปสู่เอากับตาคือความเป็นหนึ่งละขึ้นสุข มีแต่อุเบกขาสระเภทกับท่าแน่แนอยู่ในจิตในใจเมื่อเป็นอย่างนั้นจะนั่งขนาดไหนกีวันกี่คืนจิตไม่ส่งจรงมาสิ่งเรื่องนอกแล้ววันเวลาในคำนึงํำนวกนนวน่ามันหมดไปกี่ชก้โมงกี่นาทีถ้าจิตยังไม่กอดในขอนเมือม่อใด ทวามอยู่ในีรียบทนั้นจะอยู่เรื่อยไปใมมีรักสัมผัสจากภายนอกมี่ความที่จิตรวมทั้งที่เรียกว่าเรื่กัตาลมที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิเมื่อจิตเห็นเป็นสิ่งอย่างนั้นความเชื่อมั่นในอจในธรรม ต้องประทับในจิตในใจไม่มีการหลงไม่มีการลืมความเช็่ของจิตตนนั้นเชื่อมั่นเกิดอาจระสตถาคือไม่มีการหวั่นไหวว่าศาสนาล่วงไปขนาดนี้จะมีมรรคผลหร้อไม่ความสงสัยในใจที่เรียกว่าที่คิดขึ้จะไม่มีไม่ขันที่เป็นอยู่เห็นอย่างนั้น นี่จะต่างหน้าต่างตาหากเปียนพยายามจะทำมบําเพงเหนื่อยไปิ้งใครจะต่าวจูรูถูกว่าการทำก็ไม่ไรมักในผลอะไรเพราะศาสนาล่วงไปมักผลหมดไปในี้ใครที่จะประพฤติปฏิบัติได้อาจได้ทำทีดีดนึ่ง็นนักจนผลเขาจะ ว่าขนาดไหนพัดพานพัดพานขนาดไหนจิตใจของผู้เห็นผูรู้วยว่อมไม่มีวันที่จะสลายตัวไม่มีการเอียงไปตามลมปาของเขาเชื่อมั่นอยู่ในตัวของตัวเส ม, มอไปแต่การทำที่เห็นเด่นชัดอย่างนะเราได้ปฏิบัติกันอย่างไรคำนึงคำนวณถึงปฏิบัติผาจิ่เคปฏิบัติมาจนจิตรู้เห็น วาเราเคยเป็นเคยรู้นั้นในที่เจรนาะปล่อยสัญญาองอย่างนั้นอย่างนั้นจิตจึงเห็นเด่นดวงลงไปอย่างนั้นเข้าใจชัดเจนแล้วะปฏิบัติได้ทุกการทุกสมัยเข้าใจไในอัดในธรรมกการเข้าที่ปฏิบัติอัดธรรมเป็นอย่างนั้นจิตจึงเห็นเป็นอย่างนั้นจึงเชื่อมัน่น ทุกการทุกเวลาหรือว่าศาสนาเป็นอาการิุบุกไม่มีการไม่มีเวลาผู้ลงมือประฤติปฏิบัติการใดสมัยใดเวลาใดตั้งใจอบรมตัวเองในข้าใ น, นสอบของศีล้องธรรมแล้วจะต้องเห็นผลไปจากชาติเกิดเรื่อมั่นอยู่อย่างนั้น ทำจริงไหมมีการหวั่นไว้และไม่มีการละขอนต่างหน้าต่างตาไปเพื่อปฏิบัติหรือการภาวนาเป็นของสำคัญยิ่งกว่างานภายนอกงานข้งใจคี่เนคีอเป็นในใจรู้สึกแบบปลื้มใจดีใจมากกว่าได้วัดถุส่วนอื่น เพาื่องวัตถุควรอื่นมันมีดาบ ด, ดินคนที่มีวัตถุเข้าของมากมายก่ายกองแต่หาความสุขของใจไม่ได้เหยื่อร้อนวุ่นวายทานไม่ได้นอนไม่หลับความคิดฟุ้งของจิต้องใจที่เหลือปัญหาบังคับความอยากมันไม่มีเงินพอแต่แต่ทอะไรมันก็ยังไม่พอใช่ จีแฉ่ใจแล้วก็มีการาารามัดระวังมีการแสวงหามีการรักษาตัวเขาจะมาพ่นมาขี่มาตีมาฆ่าต่างๆนั่นไทยของด้านบัรทุกเกนด้านทำไม่เชินอย่างนั้นสะดวกสบายอยู่สถานที่ใดเยียบเย็นกายใจอยู่สถานที่ใดเงียบสงบ โจนมานภายนอกไม่สามารถที่จะมาผีส้นอาจทำจากบุคคลที่ปกติปฏิบัติไต้ลท่านจินอีสบาย้ายนตรายนอกไปนี้รักษาแต่จิตใจของตัวมาให้ความสุขใจคิดไปเรื่องนอกแต่ก็มันด้รักษายากเหมือนคนที่ยังไม่เห็นไม่สิ้น เกิดใดจึงไม่รับสายยากเพราะจิตเห็นจิตเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าเป็นของดีเดินมีคุณค่าส่วนจิดฟุ้งฟุงไปภายนอกเป็นเรื่องเสีเวลาขัดข้ามง่ายเป็นอัตโนมัติเกิดขึ้นเหนือใดต่อใจเหนือนั้นว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวของธรรมเป็นอาจธรรมปัิ้งอย่างง่ายดายส่วนคนที่ไม่เห็นไม่รู้ ก็จะต้องคิดตามอารมณ์สัญงาต่างๆหนังภาวนาสัตว่าเป็นสิริยาแต่จิตใจจะเข้าไปเป็นภาวน า, า, ว า, น า, วนาตำละชขั้วบาเพ็ญดีภายในจิตจียงจังไม่เค่อยมีถ้ามีถ้าเห็นเด่นในตัวแล้วเชื่อจริงๆเวลาที่ผ่านไปไม่เสียหายทุกตามทุกเวลารักษาได้ความเป็นไปของใจ รักษางายเพราะมันอยู่กับตัวแต่เราอยู่ที่อื่นสติมีทุกเวลาเป็นมหาสติโดยเนียตั้งเอาไว้สัมผัสกับความจุของใจอยู่สม่ำเสมอผู้ที่เห็นเป็นอย่างนั้นขันจึงทีว่าผู้ทีรู้เข้าขาดขันรู่เข้าทั้งขานคือตั้งขานมันจุง อย่างไรเข้าใจรักษางา่าใจสะดวกใจสบายใจเยือกใจเย็นนี่เนี่ยเรื่องของการระธิตปฏิบัติอาจทำ <c oughs> เป็นของที่มีคุณค่าพิเศษประเสิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็าดีสาวกก็ดีผู้เช้นอาจเชิญทำจริงจังจริงละเรื่องของหลกได้ค่ัไม่มีการติดข้อง ในรูปเสียงกลินรสต่างๆมีความสัมผัสอยู่ในอาจในธรรมยินดีเล่นใจในความเป็นของตัวอยู่เสมอเพราะความทั่วความเสียต่างๆไปมีมาลบวน จ, จิตใจให้วุ่นวายหัดข้องเมื่อท่าน ป, ป, ปฏิบัติได้ถึงที่สุด มีมุดยิงจังก็ไม่มีการระวังรักษาอะไรต่อไปเพราะเรื่องของสมุตไปเข้าถึงเรื่องของมีมุดปูดออกมาก็เป็นเรื่องสมุตความบริสุทจิิงจังปูดไม่ได้เกิดนั้นสมุตมีสิ่นแชไหนมีุ ที่ลดออกไปเป็นอย่างไรจะไปทัาใจของสู่อทดปฏิบัติฉันจันมั่นฉันเคยบอกสอนให้กอดจิเแก่นักปฏิบัติว่านาวะโรกุตระรรมีเก้าประการเหมือนเลขมีเก้าตัววนะ่าไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ5 6แ8ดเ้าเลยนั้งกัเป็นสื่มักสื่อฝนสื่นิทานหนึ่ง่งเป็นสมมุต เลยนั่นเป็นอะไรผูป้ปฏิบัติถึงจิตท่านจริงจังจะประทับใจจะรู้จะเข้าใจในเรื่องนั้นไม่มีปัญหาไม่มีการสงสัยเมื่อที่เราเขียนไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็อาศัยเลขก่าวตัวเท่านั้นเลกศูนย์จะไปบวกลบคูณหารกับตัวไหนไม่มีค่า x คูณเขาก็ไม่ขึ้นเ x ลบเขาก็ไม่ลงคงที่มีอย่างนั้นไปเลขศูนนั่นแหละถ้าหาเอาไปนําหน้าเอาเขียนเลขหนึ่งศูนใส่ข้างหน้าขึ้นอีกจุดเท่าถ้าเติมพิ อ, อีกหลายศูนก็เป็นร้อยเป็นพันขึ้นไปศูนย์มีคุณค่าสารประโยชน์อย่างนั้นจิตของพวกเราท่านาถ้าปฏิบัตปฏิบัติไปถึงจุดหมายปลายทางคือจิตถึงยุ่มมุ่ง ถึงสีแล้วจะเป็นของมีคุณค่าเลิกประเสริฐยิ่งกว่าจิตธรรมดาแต่จะไปจิต ก, กับอะไรไม่มีจะไปลบก็ไม่ขาดจะไปบวกก็ไม่ขึ้นจิตถึยุ่ง ม, มุทะแย่างไม่มีจิตไม่มีค่าแต่ความเป็นความสิ้น ของโลกของถิงของตาเห็นสิ่งศดิ์สิทธิ์ยิงมุดยิ่งจังผู้ท่านรู้ทันเห็นท่านอธิบายอย่างนั้นพวกเราท่านที่ยังไม่รู้ไม่เห็นต่อพากันแต่ทำมั่เพ็นเพราะความรู้ความเห็นส่วนนั้นท่านได้มาจากที่อื่นได้มาจากการป่อคิดต่ปฏิบัติความติดความค้างใจ มีมากเท่าไร่วามยึดถือมีมากเท่าไรความห่วงใยความเป็นทุกข์จะเกิดมากเท่านั้นตาหาความจิดข่องหมดไปเราละได้ขอนรอนได้ความเบาความสบายขงใจก็จะเห็นไปเป็นระดับเยื่อยไปจนถึงที่สุดเมื่อใดก็ไม่ต้องไปถามคนอีกว่าที่สุดเป็นอย่างไร จะไม่มีการสงสัยในตัวเองว่าความค่องความจิตในภพบคติจะมีอรือไมั่เข้าใจชัดเจนไม่เงีอบรู้เห็นความบริสุทธิ์นั้นปัจจุบันเป็อนอย่างไรข้างหน้าทาาัานต่ไปต้องสงสัยรับปัจจุบันไม่จิตกับอะไร อะไรจะไปก่อพบก่อชาติหมดปัญหาในจิตในใจในกา ร, ป, รปฏิบัติทางศาสนามีที่สิ้นที่สุดไม่เหมือนการปฏิบัติทางโลกทางโลกไม่มีการสิ้นการสุดทำแล้วแล้วไม่เป็นขันทิ้นเรียกว่า สังขาริจักคือเย็นไปเย็นมาเกิดแช่เจ็บตายตา ย, ตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็แช่ถู ก, กเกิดตายอยู่นะั้นโลกทั้งหมดมันเป็นอยู่อย่างนะั้นคามเสื่อมความเจริญความใจก็เป็นโลกอันหนึ่งเป็นโลกภายในอต่ทิศใจันก็เลือกโลกอันหนึ่องอีกเหมือนกันกลางวันกลางคืนนับหมุนกันอยู่ความจีิงทั้งเก่าไม่มีอะไร ใหม่ในโลกอันนี้มีแต่ข้องเก่าทั้นั้นแต่พวกเราท่านหในที่เจรนาถึงวามเป็นจริงข้องมันจิตของพวกเราท่านยังตัดทุกเงายังลุ่มหลงตามสมมติพอเราเห็นว่าอันนั่นใหม่อันนี้ใหม่มีใหม่เดือนใหม่วันใหม่หนึ่เป็นอย่องสมมติความจริงวันกับของเก่าติดการนั่งานผู้สหัสถูกเสา จะมีไปูีจีวนที่วันเก่าเนี่ยคือเขาสมมติคนกับคนเก่านีเกิดแก่เกิดตายของเก่ามีอะไรที่น่าสงสัยในโลกพอที่จะยินดีเกิดตายแต่ที่ารณาแยกทายลงไปให้ใจรู้เห็นตามเป็นจริงมันจะถอดจะถอนจะละในความผิดข้องในความยึดถี จิตจะมีความสุขจิตจะมีความสบายตายไม่อยู่ไม่เป็นปัญหาสําหรับผู้ที่พิจารณาสถึงจิตเป็นอย่างนั้นถึงศูนย์เป็นอย่างนั้นศูนย์ทำไมมันมีอยู่ล่ะไม่ใช่นี่พา น, างนังพลังศูนอย่างังศูนย์ไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นพบชติอะไรต่ออะไรศูนย์ไปหมด เห็นความเียนความเป็นความคิดของผู้ชุมชนคนหนาที่ว่าอย่างนั้นแต่ความจริงผู้บระพฤติปฏิบัติอะไรมันศูญท่านก็นรู้จักศูนเป็นอย่างไรท่านก็นรู้จักกระพริบจให้หมดสงสัยมันจึงจะไม่มีปัญหาอการขังกระถ า, ถ า, ถาความสงสัยในจิตในใจถ้าประพฤติเที่ยง ยังไม่ถึงจิตพันอะไรอา น, นิสงส์ของการปฏิบัติเพจ่ดประทับใจของตัวเองอยู่แต่ก่อนเราเคยคิดขวางรุ่มหลงขนาดไหนเดี๋ยวนี้มันเบาสบายมาอย่างไรความคิดฟุ้งย่องหนกค่อยโตออกทีนิดทีหน่ อ, อนเพราะการปฏิบัติแั้วันเบาแลวบานสบายไปมีหมายถึงผูกใส่ ท, า, ทาคิดทำ ธรรมาการโมผวังขอิวัตถุภวพิธรรมยดลอยู่เป็นสุขตามในภวพิธรรมไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะมีความสุขสุขก็สุขเพราะความลุ่มหลงไม่สุขสุขเพราะความรู้ความรู้จริงๆต้องสุขในเรื่องของธรรมดันั้นกายใจของพวกเราท่านมีอยู่ ที่จะรู้ใจเห็นที่จะประพฤติปฏิบัติไม่ใช่อะไรไม่มีมันมีอยู่ทุกสิ่งทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดใช่เจ้าหรืออริยะเจ้าท่าก็มีเหนือนงกันกับพวกเราท่านปฏิบัติก็ปฏิบัติสำลักสิ่งที่มันเคยขอควรใส่รับความหยิ่งเหยื่อวุ่นวายเป็นทุกประปฏิบัติละขอนส่วนนั้น ให้จิตตุดข้อจิจารนาให้เย็นโทษในส่วนเหล่านั้นจนเกิดมิพฉุราใี้ความเบื่อหน่ายในการเกิดการต่างการสิดการข้อจิตหุ ด, ดลอยออกไปจากส ม, มุิเป็นมีมุดสราบซัดว่าจิตสนิดนี้จะมีอะไรเข้าไป เกี่ยวข้างอีกราบในจิตในใจของท่านเพราะจิตชนิดนั้นลงรวมละเอียดขนาดไหนเราก็เคยเป็นเคยเห็นเคยรู้แต่ชนิดนั้นไม่ใช่จิตรวมธรรมดาไม่ใช่จิตอยู่ในวงของวัตถะจะไม่รู้อย่างไรจะต้องรู้เพราะการปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ว่าปฏิบัติด้วยความหลงพุทธาทีอผู้รูู้้อยู่ทุกขณะทุกเวลาที่จิตเคลื่อนไหวเป็นไปต่างๆจิตหยาบเราก็รู้จิตละเอียดเราก็รู้จิตหมดนิเหศน์ตันหาเราก็รู้พุทธะผู้รู้ก็คือเรื่องของจิต พุทธะที่มาสอนโลกนั้นเป็นพุธทธะอันหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของคำของยืในสิที่ธรรมมาแนะนสาวกพุธทธะนั้นก็เป็นมงคลสำหรับประชาชนที่เด็กไปกล่าวว่าสักการบูชาแต่พุธทธะภายในพุธทธะข้องใจตัวเองเป็นของสำคัญยิ่งหากเห็นพุธทธะ องค์พุทธะตัวนี้บริสุทธิ์ฝุดของจีงจังแล้วพุทธะตัวนนั้นก็ไม่มีการสงสัยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาพก็เคยเห็นความบริสุทธิ์หมดจดจากิมือตันหาตัวพระเจ้ า, า, าเป็นอย่างไรเราก็ไม่มีการสงสัยเป็นอย่างนี้ไม่มีเป็นอย่างอื่นเพราะความบริสุทธิ์ของใจเราเป็นอย่างนี้ มีความเการปฏิบัติบำเพ็ญกิจกรรมที่ผลจะต่องเกิดจะต้องเห็นสึ้นยามีความสงสัยในตัวเองให้รจะทําบําเพ็ญชาติของมนุษย์เป็นชาติที่สูงสุดสามนนารถบําเพ็ญชื่นงามความดีให้เด่นประเสริฐพิเศษได้ คือพิจิตร์โซดาเศรษฐีทาชาธนาคาอรานล่วนแต่ได้อต่ภาพเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราทั้งคนจี๋สวยชาลามลกตกนรกอเวรจีเลาะพอไปจากมนุษย์อีกเหมือนกันแต่นั้นจงทากันเล่นเลี้ยงขั่วปลาเพลิดเพลินดีไตรทวีคูณขึ้นจนเต็มที่ พอจิตพอใจในคนในนี้การกังวลวุ่นวายในการเกิดแต่เก็ดตายอีกต่อไปพอใจถึงที่สุดแต่หมดปัญหาในเรื่องมัดผลต่อไปถึงจะไม่ประกาศให้คนอื่นรู้จักแต่ความบริสทธิตประกาศในตัวของตัวเองพอใจอยู่อย่างนั้น แต่ความอยากว่าเราดีเด่นเป็นธรรมขนาดนี้อยากจะให้คนอืน่นเรารู้เห็นว่าเราดีเราเด่นมันก็ไ ม, ม่มีความอยากอะไรทั่วไปเกิดเพงเรื่องหัวใจมันหมดถึง ค, ความหมดความมริสิกถึงทุดท่าจริงจังดนั้นพวกเราท่านจึง อ, อุสาห์ยายาม แต่ทำตามโอวาทของพระพุทเจ้าหม่หนดิิจรใจแงตรสความหยิ่งยืนของใจความเดือดร้อนของใจทำทุกข์ของใจบาเ่าออกไปให้หมดให้เบาให้สบาบเพ็ญศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตให้เกิดมีึ ก็ไม่ใจอินกายวายชากายวาจชาอยู่ที่ไหนคยเชื่ออยู่กับตัวของเอาท่านที่ได้ไปกล่าวว่าสัจตรรมบูชาแต่พุทธะภายในพุทธะของใจตัวเองเป็นของสําคัญยิ่งหากเห็นพุทธะองค์นี้พุทธะตัวนี้บริสุทธิ์ฝุดฝ่องจริงจังแล้วพุทธะตัวนนั้นก็ไม่มีการสงสัยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสัจคติก็คือเห็นความบริสุทธิ์หมดจด จากยิ่งเหนือปัญหาเราก็ใช้จาเป็นอย่างไรเราก็รจะมีการสงสัยเป็นอย่างนี้ไม่มีเป็นอย่างอื่นเพราะความเมืโนนิสสุของใจเราเป็นอย่างนี้หนึ่คือความเห็นกานปรปฏิบัติบำเพ็ญจิตในที่ผลจะต้องเกิดจะต้องเห็นสึ้น อย่มีความสงสัยในตัวเองใเนเร่งแต่ทำบำเพนชาติของมนุษย์เป็นชาติผู้สูงสุดสามารถบำเพ็ญชื่นงามความดีให้เด่นประเสิฐวิเศษได้ทพื่อที่จะโซดาสถิตชาค า, า, าอนาคาอรหันต์ล้วนแต่ได้สภาพเป็นมนุษย์ยงั้นพวกเราทัก คนจีบเชื่ทชาลามลลกตกนรกอะไจีล่าก็ไปจากมนุษย์อีกเหมือนกันแต่นั้นจงหากันเล่นเรื่องชั่วประพฤติเรื่องดีแต่ชีวีคูณขึ้นจนเป็นที่พอจิตพอใจในตในแต่มีการตังวลบุญนวแในการเกิดแก่เจ็ตายอีกต่อไปพอใจถึงทีด ปัญหาในเรื่องมัดผลต่อไปถึงจะไม่ประกาศให้คนอื่นรู้จักแตความบริสุทธิ์ประกาศในตัวของตัวเองเใจอยู่อย่างนั้นแต่ความอยากว่าเราดีเด่นเป็นธรรมขนาดนี้อยากให้คนอื่นเรารู้เห็นว่าเราดีเราเด่นมันก็ไม่มนี้ความอยากอะไรผัวไป เ่ยเรื่องของใจมันหมดหนึ่งี่ความหมดความมลิสุถึงทุกข์แจริงจังดันั้นพวกเราท่านจึงอุตส่าห์พยายามจะทําตามโอวาทของพระพุทธเจ้าหมั่นกําหนดมิให้ทจรณะกายใจข้างต้นตำระสะสามความหยุ่งเยิ้งของใจความเดือดร้อนของใจทำทุกข์ของใจปาดเต่าออกไป ให้หมดไห้เบาให้ส บ, บายบวาเช็นรผสมาธิปัญญาวิชาวิมุิให้เกิดมีขึ้นผินตัวไม่ใจอินกายวาจารกายวาจาอยู่ที่ไหนคอยเชื่ออยู่กับตัวของเราท่านไม่อยู่ที่อินโตรตัางหากที่ท่านมันญยากไว้5้าหรือแปดสิบสองยี 5, 8, 10, 6, 21, ่สิบเจ็ดมันโทษ ของกายของวายการอยู่ไปไปพูดขั่วไปทําทั่วไปพูดขั่วแต่ความจริงฉีนตัวเดียวสี่ตัวเพราะเราอยู่ิงรักษาง้ายแต่มาชี้ความหนักแน่นของใจเราจะมีอยู่ที่ไหนใจมันมีอยู่ที่ไหนอยู่ท้องฟ้าอากาศหรืออยู่กับตัวเราทําอย่างไรจิตใจจึงจะหนักแน่นเชื่อมั่น อัตเกจขอขอริญประ้อการปฏิบัติกำจัดความชั่วออกไปไม่เห็นิวอนเข้ามาบกคุมหุ่มหอจิตใจทั้งตนสำลระอวิชชาตัณหาอุปาทานต่ า, างๆจิตเหนื่อยโงรวมก็จะลงรวมได้ิตเหนื่อยเบาสบายก็จะเห็นปัญญาที่เจอนายแยบทลายเสี่ยความผิดของของใจ เมื่อเห็นตามเป็นจริงก็ละข้อนปล่อยวางโดยอัตโนมัติของมันไม่ยึดมันเทียมมันพอมันเห็นตามเป็นจริงหายสงใสัคือเรางมกันอยู่เพราะยังไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงยังสงสัยว่าอะไรจะเป็นอะไรเรื่อนั้นจึงคนหาในงมกันอยู่ถ้าหากเห็นตามเป็นจริงจะหาย จาความสงสัยทัวไปรเกี่ยืกองการอบรมใจาการระพึกปฏิบัติเป็นของที่มีคุณค่าสารประโยชน์แต่ตัวข้องตัวอย่างนี้อ้ใ okay. จมักผลนิพกานเข้าุูใจเจ้าหรือสาวกาถามไปยังมียืเยันอยู่สำหรับผู้ตั้งหน้าตั้งตาระพึกปฏิบัติเราทุกคน คุณ ม, มุ่งมาศึกษาหาธรรมะตอเพื่คิจรารณาเรื่องตายใจองตนให้เ ห, เห็นตามเป็นจริงเมื่อเห็นตามเป็นจริงสีก็มีอยู่ในตัวของเรารักษาง่ายอะไรที่เป็นโทษทคิดคิด ข, ข, ข, ข, ข่าเขาตีเขาเบียดเยียนเขาเขาข่าเราทีเราเบียดเบียนเราลองสอบใจไหม เมื่เราไม่สอบใจแล้วก็ไม่ไปทําคนอื่นไม่ไปห่าตัดอีกการรักการสมุนเขมารักของเราเราชอบใจดีใจไหมเมื่อเราไปรักการสมุนของเขาเขากโกงมีการเสียใจไม่ชอบใจเหมือนกันกับเขามารักมาสมุนของเราตัวนึ่นก็เหมือนซ้นเมื่อเห็นตัวคํามทั่วขอรักคํามทั่วได้ รักษาสีง่ายก็เห็นเขาเห็นเราเหมือนกันการรักษาสีการบงเพ็ญจิตบงเพ็ญใจควางเพนลงไปกำหนดลงไปพจักรณาลงไปอย่าสูงออกไปนอกกำหนดฝนคิดติดตามเดื๋ยวอาจเดียงคพิจรณาให้เห็น อย่างคัดเกือนเรื่องขาดั่นที่เราลุ่มหลงและยิิงและชายว่าสวยว่างามต่างๆพิ่เจอาตามสภาวะทาให้เห็นตามเป็นจริงคนดูในตายทงตัวอะไรที่มันสวยมันงามมันดุมันดีพิ่เจอาให้เห็นตามเป็นจริงของมัน ทุกขส่วนในตายเป็นของโกระปกเป็นของอาเจียนไม่ใช่ของของหัวเป็นของเน่าของเหม็นเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเพราะจึงที่เราเอาเขาไปเป็นุงตายในว่าอะไรทั้งหมดเป็นของเน่าของเสียแล้วจึงเอาเขาไปเป็นุงตายตายจึงเกิด ความตกกระโปงจากของบำรุงถึงอาหารจะทํามาหยุดดีขนาดไหนเก็บเอาไว้ไม่เอาเข้าไปในใจไม่กี่วันกี่เวลาของนั้นก็เน า, าเก็เสียไปมีเอาเข้ามาใส่ในใายัเยงเรามาเคี่ยวในปากของเราที่เรากรีนลงไปได้เพราะตาเราไม่เห็นเราพายออกมาจะกล้ากีนอู่ได้ไหมเพราะร่างกายของเรามตกกระโปงอย่างนั้นพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้ว มันก็ไม่กำหนักมันก็ไม่ยินดีมันก็ไม่เิดเผยถ้ามันเห็นตามเป็นจริงเพราะธาตุเหล่านี้มันไม่ไดีดีไปทั่วไม่ได้ไปนรกสวรรค์อะไรมันเป็นธาตุของมันจะสลายลงไปตามหน้าที่ของมันเกิดมาอย่างไรมันจะแปรปวนไปอย่างไรให้เห็นตามเป็นจริงในใจของตนสู้ที่ไมิเจตนาะสู้ศึกษาธรร ม, มะผู้ปฏิบัติธรร ม, มะ เราเห็นเต็มจุ้งอย่างนั้นก็ไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามว่าน่ารักมาสที่หมดไปในเรื่องห้องใจพอเห็นตามเต็มจุ้งกลถอนไปในตัวมีมันไม่เห็นตามเต็มจุงทั้งรูทั้งหลงนั่นเลยีทิ้งขั้นยิทชา มันรู้เป็นอริชาอยู่ทั้งรูทงง้ทั้งหลงจิตชิงชิดชิงคล่งองทางพิจรารณากรรมฐานทางพิจรารณาใจให้สงบจะพิจรารณาเรื่องของหลังใจก็ได้จะพิจรารณาเรื่องลุ้มหายใจก็ได้จะพิจรารณาอะไรให้น้อมเข้ามาภายในให้ใจเห็นตามเป็มที่เป็นอันถูก ทิจาลาส่งนอกออกไปเรื่อยใจก็ไม่มีวันเวลาจะเห็นตามเป็นจริงแต่นั้นทางศึกษาของคอศีนสมาธิปัญญาคือกายวาจาใจในใจชี่อินสำหรับตำลาของศาสนาออกจากกายวาจาใจอันนี้เป็นมาจากที่ใหเกิดขึ้นจากศาสนาพระพุทธเจ้า รู้เห็นก็เกิดขึ้นจากนี้พิจารณาอันนี้ละถอนอันนี้บำเพ็ญอันนี้ให้ดีเด่นขึ้นฉังนั้นเราทุกท่านผมมีใจมีจักราจามีใจเหมือนกันพยายามแต่ทำบำเพ็ญ้ำละส่วนที่ชั่วบำเพ็ญส่วนที่ดีเรื่อยไปก็ปจะถึงสิ่สุดที่มุ่งิทราเหมือนอย่ากผู้า้จจาบหรือเหล่าสาวขั่วไป จะไปสงสัยว่าเราอาคัพอาวาัตนานะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันอะไรทุกอย่างมีพบฟอรบอดีบูลไมัใช่ขาดตบกบกต้องอะไรมันกำหนจดจิตใจนาจายใจของตนหาความสุขจากอัจฉริยะมันเห็นมันเช่นจะมีมีการสงสัย จะในก <c oughs> าวตูดูมิน่นตัวเองแบบเป็นคนอาภัพอวบาสนาขาดตั้งหน้าตั้งตาจะทำมั่นมมมเพ็ญจริงจังจะเห็นจะรู้การพิจารณาธรรมะการฟังธรรมะไม่ฟังจากตัวของตัวจะไปฟังจากที่อื่นดีตั่วอยู่นี้ดีสมาธิปัญญาอยู่นี้นิชาริมุติอยู่นี้ โลกโกลลหลงตัวอยู่นี้เหมุที่เจนะสูตสอตามคำสอนของพุทธเจ้าจิตมันจะหืิบไปยึดไปถือมันยึดมันถือไม่ได้พอมันเห็นเป็นความจริงอย่างไรมันจะต้องปล่อยไปตามสภาพของมันฉะนั้นขอปวกฉันทุกคนจงน ำ, องำเอาธรรมะเขียนที่ใมานี้ ไปที่นี้ที่จเจรนะิญนาและสุดกายวายจาของตนต่อแต่นั้นก็จะมีความสุขวามเจริญในอวสานการอธิบายธรรมะขออำนะนาจคึงพระผีรัตนใจทรงคุ้มครองวางผวกผว ก, กสั่นทั้งหลายให้มีความสุขทาย ส, สบายใจหลักชนะจึงใดขอสิ่งนั้นจนสำเร็จตามความมุ่งหวังโดยทั่วหน้ากันเพลินในวัง